ที่อยู่ในความทรงจำในช่วงหลังของสังคมไทยแล้วก็ตามแต่ท่านยังเอ่ยถึงบุคคลที่ท่านเคารพด้วยจิตใจเนี่ยบ่อยครั้งผมคิดว่ามีบุคคลอยู่สองคนที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่านก็คือคนแรกนั้นเป็นเจ้าครับคือกรมพระยาดำรงราชานภาพท่านพูดถึงบ่อยถึงความมีจริยวัตรอย่างงดงามความเป็นนักปราความศรัทธามั่นในพุทธศาสนา แม้ศึกจากพระไปแล้วก็ยังเอาบาทและจีวรมาเก็บไว้อะไรเหล่านี้ซึ่งท่านพูดถึงในแง่ดีอยู่บ่อยมากนะครับนั่นเป็นไปได้ทีเดียวที่สมเด็จกรมธารม์รงราชานุภาพได้เป็นต้นแบบของท่านในช่วงหนึ่งเพราะท่านยังหนุ่มน้อยอยู่มากเมื่อสมัยที่กรมธรรม์รงสเสด็จลงไปศึกษาและรวบรวมวัตถุโบราณทางใต้นะครับองคพี่บุคคลที่สองเป็นคนที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่าน มีผลเหนือชีวิตของท่านอย่างมากก็คือมารดาท่านเองครับหลายครั้งที่ผมเองเรียนถามหรือพระูปอื่นเรียนถามแล้วก็รับรู้กันในกลุ่มที่ที่นั่งฟังว่าบุคลิกภาพบางอย่างนี่เกิดจากแม่ของท่านเช่นท่านเล่าว่าแม่ท่านนั้นเป็นคนละเอียดอ่อนเมื่อใช้ท่านหุงข้าวแล้วเนี่ยเห็นนั่งเ้าไฟนั่งดูหม้อเดือดแม่ท่านจะเตือนบอกว่าช่วงเนี้ย เป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลาทําอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างไงทำไมไม่ทำล่ะดฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่านิสัยส่วนนี้เนี่ยท่านติดมาจากมารดาของท่านแต่แล้วท่านเองก็สารภาพาว่าผมชู้น้องชายไม่ได้ครณธรรมธาตุนั้นละเอียดหวานกว่าชาวชั ย, ยาทั้งหมดนะครับแต่เฉพาะที่ตลาดนั้นเรื่อมใสครูธรรมธาตุเนี่ยผมคิดามากกว่าธนายจารย์เนมากมีคนพูดกันว่า อาจารย์สมโภชน่าจะเป็นอุบาสกแล้วครูธรรมชาติน่าจะเป็นพระมากกว่าทั้งหมดนี้อย่าถือสาคําพูดนะครับก็ใครคิดยังไงเขาพูดกันไปลงทบทุนย้อนหลังสี่นะครับผมพูดกลับไปกลับมาไม่ไม่เป็นสัําม่เป็นระเบียบเลยนะครับนับตั้งแต่เรารับพุทธศาสนาฝ่ายเซโรวาจังลังกามาแล้วนะครับกินเวลาได้ประมาณแปดร้อยปีเศษปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นปรากฏการณ์ใหญ่นะครับในยุโรปหรือที่อื่นนะครับ เมื่อรับศาสนาหนึ่งศาสนาใดแล้วกินช่วงเวลาไม่เกินสามร้อยปีก็ถึงยุคมืดคือยุคไร้ยศาสนาแต่ในประเทศไทยนี่เป็นเร่องแปลกประหลาดเมื่อรับพุทธศาสนามาแล้วเนี่ยตั้งมั่นอยู่ได้อย่างตรอมเนื่องเหมือนต้นไม้ที่รอดแผงรากลึกแผ่กิ่งก้านกว้างนัตั้งแต่พระเจ้จักรสุขโขทัยเป็นต้นมานะครับยังไม่เคยมีนักปราชหรือสมณรูปหนปึ่งรุ่นใด กล้าตีความพระพุทธวัฒนาอย่างตรงไปตรงมาและอย่างเข้มขน้นและจริงจังนะท่าทางท่ผมพูดโดยส่วนตัวก็คือมีท่านอาจารย์สมโภคนี่แหละครับที่เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศนี้นักบวชทั่วๆไปในลำดับของประวัติศาสตร์ในห่วงเวลาในอดีตนะครับเขาจะทอมมากต่อการเทศนา รูปแบบของการเทศนามธรรมะท่านจะพะว่าเมื่อพระภิกษุขึ้นนั่งบนเทศนาแล้วได้รับการราฐนาแล้วก็ตั้งนมโมตัสสะแล้วตั้งนิเคป บ, บทคือบทยอ่อเอาพระพุทธนะที่เป็นบาลีขึ้นตั้งแล้วก็แสดงความถ่อมว่าณนะบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงธรรมวิสัชนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ไม่ได้ว่ า, วาเองนะครับแคนองนั้นไม่กล้าแต่ไม่กลา้กลาใช้ความรู้สึก ที่ทราบถึงหรือความติกที่ออกจากเนื้อในของชีวิตของตัวเข้าไปอธิบายสิ่งนั้นในนั้นพุทธศาสนาเทรวิท่าจึงแตกตัวออกในลักษณะของสถาบันผมขออนุญาตใช้คำศัพทเป็น Academy เป็น a c a d e m ี่ครับมีลักษณะของออทางวิชาการมากท้ายที่สุดคนก็คือพระพุทธศาสนาก็อกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมเป็น culture แทนที่จะเป็นวิถีทางของการทําให้ทุกข์ของความดับทุกข์สมดังเจตนารม์ในเรื่องอริยสัจที่พระเจ้าท่านทรงสอนนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันต้องเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่วิถีอย่างวัฒนธรรมเราพบว่าบุคคลอาจจะมีท่าทีทางวัฒนธรรมสูงแต่ก็อาจจะไม่ได้จริงใจได้นะฮเหมือนเราเวลาฝลังมาเรากลําไทยก็ดูเราถึงเวลาจริงเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมของเราแต่เรา แสดงออกว่าเขาเราเพื่ออวดว่าเราเป็นเจ้าพุทธเท่านั้นซึ่งบ อ, อกท่านอาจารย์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นนะครับโดยความเป็นภาษาบาลีและต่อมาภายหลังท่านอธิบายว่าโดยการภาวนาอย่างต่อเนื่องนะฮะและอีกประการสําคัญมากซึ่งเป็นบาดฐานที่ทําให้งานทั้งหมดของท่านอาจารย์เกิดเอกภาพและพิดแผลจากคณะาจารย์องค์อื่นนะครับก็คือ การใช้ชีวิตที่แนบสนิทกับธรรมชาตินนี้ตราไว้ได้เลยนะครับขีดเช่นใต้ตรงนี้ให้ดีนะครับว่าตลอดช่วง800กว่าปีรูปแบบพุทธศาสนานั้นค่อนข้างเป็นราชสำนักในบ้านเมืองเรานะครับค่อนข้างเป็นระบบีบเป็น c ลเจอร์เป็นวัฒนธรรมที่สูงส่งแต่ว่าห่างไกลามากกับคำวา่าความหวานคำวิธีทางแห่งธรรมชาตินะมีความในที่ลึกลึกอยู่อันหนึ่งนะครับ ในเรื่องนี้ในประเด็นนี้ก็คือมนุษย์เราไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งในกระแสะธรรมชาติอันไม่รู้สิ้นจุดเท่านั้นฮนะแต่มนุษย์นั้นยังเป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยครับข้ออ้างอ น, นี้ผมอยากจะพูดว่าสําคัญมากครับตรงที่ว่าเมื่อมนุษย์คิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในช่วงที่มนุษย์เลวร้ายมนุษย์ก็ทำลายธรรมชาติเหมือนที่เรารู้กันอยู่เป็นวิกฤ ต, ตการแทบจะถาวรแล้วนะครับ เนช่วงลุ้นลึกมีสานึกขึ้นมาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็จะเกิดการอนุรักษ์จิตแห่งการทําลายและจิตอนุรักษ์นี่มันเป็นหญิงอย่างนะครับคือหมุนไปหมุนมาเมถึงยุคหนึ่งเดีย๋ยวเราก็เริ่มทําลายกันอีกเราบำรุงธรรมชาติพอสมบูรณ์เราก็ลี้ตัวเดี๋ยวเราก็ทําลายแต่การที่ลุ่มลึกที่สุดก็คือการอยู่เหนือการทําลายและอยู่เหนือการอนุรักษ์นี่สําคัญมากครับ ถ้าจะเป็นดังนั้นเลยครับต้องเป็นความรู้อีกระดับหนึ่งที่ว่าม น, นุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติผมจะอ้างคําของจางจื่อปราจีนนะครับผมอาจจะออกเสียงสําเนียงตีนไม่ไมสมบูรณ์ทั้งๆเป็หล า, า, า, า, านตีนะครับแต่ไม่รู้ภาษาตีเลยจางจื่อพูดในในยอดที่ลุกลืกว่าที่ที่อุ่เป็นแสนครับฟ้าดินกับอ้ววเป็นอันเดียวกันวัวหมูอุอุจจฺ วิอ right? mm ิครับมื่นสิ่งสับสิ่งกับป้วนเป็นอันเดียวกัน mm hmm. นี่เป็นความในที่ลึกลึกครับ mm hmm. มองในแง่ของจิตวิญญาณแล้วมนุษย์เป็นอันเดียวกับธรรมชาติ mm hmm. มองในยะที่แบ่งแยกมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในกระแสธรรมชาติเช่น mm hmm. เดียวกับเรามองว่าน้ําแข็งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำํำเราก็มองได้เพราะมีก้อนน้ำแข็งลอยอยู่ในน้ําแต่ว่าธาตุแท่งน้ําแข็งกับน้ําอันเดียวกันนะเมื่อน้ําแข็งละลายหมดก็คือธาตุน้ํา วิถีชีวิตที่ท่านใช้ใกล้ชิดกับธรรมชาติผมคิดเป็นบาทฐานใหญ่ที่ส่งผลสะท้อนนิ่งยาวนานมาสู่ตัวท่านเองส่วนโลกและสังคมไทยและเป้าหมายนั่นคือโลกโดยส่วนรวมบันทึกที่สดใหม่มากของท่านอาจารย์นะครับช่วงที่อยู่ส่วนโมกในกลางคืนเรือนหนายที่มีหมูป่าอนะไรนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าบันทึกของเดวิดทอโร เรารูว่าเดวิดชอโรหรือสีคนแรกของอเมริกันนั้นมีพลงานที่ยิ่งใหญ่ที่โลกรับทราบแต่ว่าบันทึกช่วงต้นของท่านอาจารย์สวนโมงนั้นมีอะไรที่ล่มลึกมากครับบางทีท่านบันทึกเรืองความเจิดจ้าของดวงจิตในขณะที่ภาวนาแล้วก็เกิดท่านใช้คําว่ารอกับว่าสิ่งีตาเห็นนั้นเป็นสิ่งทิศหรือไม่ไม่ใช่ธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาตินั่นแสดงถึงการก้าวล่วงเข้าไปสู่นิติที่แปลกประหลาดหรือ พอจะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์แบบเอ็กซ์ตร้าครับแปลกประหลาดแต่ว่า น, นั้นไม่คือสาระที่น่าใส่ใจนะครับเพราะว่าแท้ที่จริงนั้นการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินั้นได้ให้กำเนิดถ้อยคำมันหนึ่งสำหรับ ส, ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคำที่เพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตและตรึงตาตรึงใจอยู่ไม่ลืหายครับเมื่อท่านพูดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่อะไรอื่นหรอก คือการที่มนุษย์ชำระล้ตัวกลับสู่ธรรมชาติอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากนะครับเป็นท้ายคำสำหรับผมแล้วยิ่งใหญ่มากทีเดียวเพราะว่ามนุษย์เดินห่างจากธรรมชาติออกมามนุษย์เมื่อสร้างอารยธรรมแล้วอารยธรรมนั้นกลายอุปสรรคเป็นกําแพงกั้นเันือนที่ท่านทราบว่าคําอาร ย, ยาารธรรมในภาษาอังกฤษนะครับมันคือคําว่า civilization สิ่งที่รูปแปลผลเรืเรอนก็ได้หรือแปลว่าเมืองก็ได้นะครับ จะสร้างเมืองแล้วเมืองเลยครับมันจะกีดกันไม่ให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้จิตสมมติซึ่งพัฒนาในเมืองเนี่มันจะติดยึดในในสมมุติดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องหันหน้าออกจากวังและแสวงหาที่ทนาจารย์พูดซําแล้วทำอีกนะครับในเทศนาหลายแห่งหลายทิ่งท่านว่าเกิดกลางดินใช้ชีวิตกลางดินกินกลางดินตายกลางดินมนุษย์เรานะครับ วิถีชีวิตของพวกเราที่สูงส่งนั้นไม่ใช่วิถีชีวิตในพระราชวังหรือประดับประดาด้วยทองหยองหรือเจติยศมากมายแต่ถ้าเป็นคติของคนโนออกครั้งอดีตสมัยยุ่เรือ ง, องด้วยความรู้แจ้งทางวิญญาณแล้วแล้วก็วิถีที่เร่ร่อนวิถีที่ติดบินเท่านั้นที่จะสอดคล้องกับวัตจกักรและความเป็นไปของมหาวิถีของธรรมชาติทั้งมวลดังนั้นความยากไร้ความเร่ร่อน ความเปล่าปยสิ่งที่หมดนี้เป็นสิ่งที่เรียกพระเจ้าทรงเรียกว่าอริยธรรมอัสดางทิฏฐกมักท่านไม่เรียกซีไรเซชันข้อขัดแย้งในทางทฤษฎีระหว่างความหมายคําว่าอารยธรรมของปราตัวหนอกและต้นตกมีอยู่อย่างฉกาจฉกันครับคนบนตนตกถือว่าซีไรเซชันนั้นเกิดในกําแพงเมืองเช่นมหานครเอเธนส์ก็ดีอะไรที่เกิดพัฒนาขึ้นในเมืองเนี่ถือเป็นอาริยธรรมนั้น นอกกำแพงเมืองถือเป็นอนาระยะครับเป็นป่าเถื่อนแต่ถ้าท่านคุ้นกับแต่ถ้าท่านไม่หลงทางจากวิธีคทิศของปราชญานอกแล้วพันจะพบว่าป่านั่นเองเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเมืองเป็นตัวปัญหาราษาสดาผู้รู้แจ้งส่วนใหญ่นะออกจากเมืองไม่ว่าโซโลแอสเตอร์หรือรพอระพุทธองค์ก็ตามหร so ือแม้แต่โซเครติส ราทางโดนตกซึ่งถูกบีบให้ตายด้วยสมัครใจต้องออกเร่ร่อนมีคุติของศัพท์ของคำว่าพิกุซึ่งแปลผู้ขอศัพท์เดียวคำเบก้านนทางกระออกถึงว่าวิถีชีวิตของการเร่ร่อนเป็นผู้ขอนั้นเป็นชีวิตที่สูงส่งท่านอาจารย์เขียนคติพจน์อันนี้ไว้ที่โรงฉันเก่าซึ่งเดีย น, นี้ยอยู่หรือไม่เขาไม่แน่ใจครับว่า High thinking, low living นี่คือวิธีทางส่วนโมกคือคิดสูงงคิดได้ลึกคิดได้กว้างคิดได้ไกลแต่เป็นอยู่ให้ต่ำที่สุดกติพจน์เหล่านี้เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของท่านเองเมื่อผมศึกษาลาพศจากสมณะแล้วนะครับผมไปเยี่ยมท่านคำแรกที่ท่านถามผมท่านเลยถามว่าทำงานอะไระไรายได้ท่านถามผมว่าคุณึกินข้าวจานแนวอยู่หรือเปล่าเป็นคาทักทายซึ่ง เตือนให้ให้ให้ทําในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจแล้วนั่นเองนะครับกินข้าวจานแมวอาบน้ำในครูเป็นอยู่เหมือนทาสมุ่งมาตความว่างและคําตอบคือทําอย่างตายแล้วมีแก้วอยู่ในมือคือดวงจิตว่างประโยคสุดท้ายคือแจกของส่องตะเกียงครับแต่ผมคงเป็นจิ์ที่เลวว่าไม่ได้ทําตามท่านเพราะว่าท่านอาจารย์มีคติว่าจิ์คือผู้ที่ทาตาม ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งนะฮะในวิถีชีวิตร่วมสมัยของคนเราหรือคนเทพเราได้สูญเสียอะไรบางสิ่งซึ่งเป็นคุณค่าพิเศษที่เราเคยมีครังหนึ่คือความมีกัลยาณมิตรความมีคนที่เรานับถือบูชาไว้สักคนหนึ่งในหัวใจเรานี่เป็นสิ่งสําคัญมากครับถ้าผมจะเตือนความทรงจำบางท่านได้ต่อสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธนะฮะ แม้ไม่ใช่เป็นพระพุทธรันะโดยตรงก็คือในช่วโมงที่พระุทเจ้าจะถึงซึ่งการตรัสรู้สมบูรณ์นั้นมีที่ดาวมานี่สามตนนะครับจะเรียกสามนางในสามตนนะที่จริงเป็นสัญลักษณ์เป็นบุคลาทิฏฐานนางแรกที่นางโทษานางราคานางโทษานางน้องซึ่งร้ายกาจที่สุดหนึ่งคือที่ออรดีครับอรดีคืออารติแปลไม่รักทาไม ความไม่รักจึงเป็นอุปสรรคต่อสติปัญญาชั้นสูงครับนี่เป็นสิ่งน่าคิดมากครับจิตใจซึ่งซึ่งไม่มีเมตตากรุณาไม่รักไม่สามารถที่เข้าถึงการตรัสลูได้ต่อเมื่อพระเจ้ากาหนดรู้นางนี้สามนั้นแล้วเนะี่ยที่ดาพญามารก็ถอยกลุดเห็นไหมครอรดีนี้คือคำว่าอรติครับรติคืแใจวัารักอ่ะก็ไมครับแล้วไม่รัก ผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับเกือบจะเป็นคตินำทางของชาวพุทธซึ่งมีทนาจารย์ที่สุโมก พ, พูดย้ําอยู่เสมอ ว, ว่าสําหรับชาวพุทธที่แท้จริงแล้วนั้นให้มีเมตตาเป็นปุเรจาริจนะครับว่าจะทําอะไรทีจะไปทางไหนเหมือนกับมีท่ไฟสองถ้า ม, มีเมตตาเป็นครึ่งสองทางไปข้างหน้าเพราะเมตตาปัญญานั้นเป็นสองหน้าของเหรียญเดียวครับ สติปัญญาทั้งสูงที่ว่าขันห้าไม่ใช่อะไรอื่นกับธรรมชาติเป็นอันเดียวธรรมชาติชีวิตเป็นอันเดียวกันทั้งโลกครับนั่นเป็นปัญญาทั้งสูงแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยมันเป็นเมตตายด้วยเมื่อเห็นว่าชีวิตไม่ผิดแผกกันมันเป็นทั้งคู่เลยครับยิีคำพูดของชายสารนะครับที่ลุ่มลึกมากที่จะเอามาสงทบกับความในที่ลุมลึกอันนี้ก็คือใ น, นบทเพลงเสียวสวัสดิซึ่งเป็นครูปัญญาท้องถิ่นนะครับพูดด้วยว่า ยังมีชายคนหนึ่งชื่อวสัพพะลาลางยังมีชายคนหนึ่งซอวะสัพพะลาลางคนคนหนึ่งคือสัพพสิงทั้งตวงนะเมื่อเราพูดถึงขันห้าหรี่ญาณในขันห้าเนี่ยนนเรามักจะเอารูปประคันรูแต่เป็นร่างกายซีคือคนคนหนึ่งที่จริงรูปรขันคือสิ่งเห็นด้วยตาครับดวงดาวดวงเดือนพระอาทิตจักรวาลทางวัตถุทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปประคัน หรือขอบเขตรุขขันห้าไม่ใช่คนคนหนึ่งนะขอบเขตขันห้าคือจักรวาลทั้งหมดครับโปรดทศได้สิ่งนี้นะดังนั้นพยานในขันห้าซึ่งได้ทําลายอุคลสัญญานะครับที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนที่ไหนก็คือสภาวธรรมทั้งหมดนี่คือขันห้าที่บริเกินเะมื่อมองเช่นี้แล้วนะครับรเราจะพบว่ามนุษย์ ไม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งธรรมชาติเท่านั้นมนุษย์เป็นอันเดียวธรรมชาติเป็นอันเดียวกับจั ก, กรวาลครับนี่คือยานของพระเจ้าในกันในในเรื่องสภาวธรรมนะครับต่อมาเนี่ยผมจะเล่าเรื่องที่ผมรู้สึกท่านจะฟังเครีครยดๆนะเนี่ยผมเล่าเรื่องที่มีความชื้นชื่นล้างก็ได้ครับคือวิธีที่ท่านอาจารย์ได้ช่วยผู้คนตามจริวิสัยของแต่ละคนนะครับ ทีนี้ผมคิดว่าสิ่งสาคัญมากนะครับในพุทธศาสนาเนี่ยจะมียานหลายอย่างจะมียานเดียวที่สงวนไว้สําหรับพระพุทธองค์คือนานาทิมุติยานทัศนะครับคือยานที่เรื่องรู้วิธีทางรอดของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะฮะอย่างพระเจ้าสมควรกระองค์ริมานอย่างหนึ่งพระกุปตตาจาราอย่างหนึ่งพระคนน้อยอย่างหนึ่งพระคนองูอย่างหนึ่งกับบางคนบางทีท่านหลอกล่ออย่างพระ น, นันทะกุมาร น, น้องท่านน่นนะฮะ ล่อจะให้หนางฟ้าขอใหญ่แต่งงานเลยนะนางฟ้าสวยกว่าถ้าเราจะมองพระเจ้าทุสีหนึ่งคงไม่ได้ครับเป็นอุบายที่จะดึงล่อจิตซึ่งกำลังตกหลุมทางหนึ่งเหมือนก็ดึงคนขึ้นจากโคลนนะครับใ น, นสิ่งนี้ที่สงวนไว้สำหรับพระพุทธองค์ก็ตามแต่ผมก็เห็นบ้างในท่านอาจารย์ฝันโมนะครับว่าถ้ามีอุบายที่ล่อหลอกคงจะเลื่อนะตผมดังนั้นผมจะเล่าอิง อ่านตัววิสัยนิดหน่อยนะครับผมไม่รู้จักไทยดีอยู่ตัวเองประสบการณ์คนอื่นผมเล่าแทนไม่ได้แต่เล่าแทนประสบการณ์ตัวเองว่าผมเองไม่ออกบวชใหม่นั้นต้องการคําสอนของพระเจ้าเท่านั้นครับไม่ติตใจที่คับแค่ว่าพระพเจ้าดีที่สุดในโลกผมจะไม่ใส่ใจเรื่ร อ, งองพระเจ้าคําสอนพระเยซูของเราที่ผมไม่อยู่ในในความรับรู้ผมเลยเมื่อผมไปหาท่านนั้นผมเชื่อว่าท่านนั้นจับกําพืช จับทางผมได้ผมแคบอยู่อย่างไรบางครั้งท่านพูดเล่าเรื่องตลกให้ผมหัวเราะเพราะผมไม่เอยว่าเราะเลยไม่ยิ้มเลยครับผมเครียดมากๆโดยความรู้สึกที่ว่าความจริงจังนั้นคือความเครียดทีจริงผมเข้าใจผิดมากเลยท่านพยายามย่อแย่บางทีก็เล่าเรื่องตะเถรนจีให้ฟังที่จริงผฟังอรอกแต่ว่าผมไม่เข้าหัวเราะท่านเลงถามผมว่าคุณฟังไม่ออกลเลยอา่านี้ข้อหนึ่งท่านเรียกผมไปนะครับ ปีนันเป็นปีที่โป๊บจอร์นปอนสันในปา่าแห่งวาติกันนั้นขึ้นขึ้นดํารงตําแหน่งแล้วจอร์นปอนเป็นโป๊บที่ถือกำเนิดในค่ายโปรแลนด์ครับเป็นค่ายสังคมนิยมเป็นโป๊บองค์แรกและนั้นขวัญกําลังใจของชาวยุโรปในทางาศาสนานครับดีขึ้นมากในปีนั้นพระปราชญ์เรียกผมไปบอกว่าผมอยากจะให้ของขวัญโป๊บจอร์นปอนคุณช่วยวาดรูปให้หน่อยได้ไหม mm hmm. เกี่ยวกับพระเยซูตั้งยื่นใบเบิลให้ แต่คุณต้องอ่านให้หมดนะไม่องั้นคุณจะเขียนได้ยังไงผมก็รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะครับเพาไม่คุ้นเราเป็นพระอด้วยแต่ก็เพื่อจะทํางานในท่านก็อ่านครับตั้งแต่อ่านตั้งแต่คัมภีร์เก่าพิเร น, น่าพิเร น, น่ า, พ เ, นนาเพื่อจะรวบรวมเนื้อหามาเขียนให้ได้ผมเขียนเสร็จแล้วร่างเสร็จเอาไปให้ท่านเช็คตรวจเช็คท่านก็วิจารณ์บ้างเล็กน้อยนะผมเขียนได้จํานวนหนึ่งนะครับปั้นด้วยนะครับปั้นปั้นพระเยซูเราเป็นเป็ดวันนี้เรองว่าผมทําไงครับคือ ผมปั้นพุทธรูปก่อนแล้วก็เติมหนวดเติมผมให้ยาวก็เป็นพี่เอเอ่อแต่นั้นไม่สําคัญอะไรนะครับเมื่อผมเขียนได้จํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยผมไปหาท่านทั้งหลังเพื่อท่านวิจารณ์ผมรู้สึกว่าท่านอาจารย์ได้สูญซึ่งความใส่ใจในสิ่งที่ท่านสั่งผมเรียบร้อยแล้วผมไม่กระจายเลยแล้วก็ผิดหวังนิดหน่อยนะครับทั้งทีง่เราทุ่นเทให้ ต่อมาภายหลังนี่ด้วยท่านหลอกกับผมอ่านไบเบิลครับผมอ่านจนเป็นอุปการะเป็นนิสัยผมอ่านต่อมาตั้งหลายปีเนเป็นส0กขึ้ีเลยครับแล้วต่อมาเมื่อผมเดินทางไปในยุโรปมีมีคุณมีคุณอุปการกับผมมากในการที่พูดกับบราเธอร์หรือพวกแคทอริกหรือโปรเตสแตนต์ผมเคยถูกเชิญในสัมมนาหลายครั้งกับกลุ่มโปรเตสแตนต์ที่เยอรมนีครับ ผมมายุ่งกับสิ่งนนี้นจะเกิดอุปการะขึ้นในวันหน้าทั้งที่ผมไม่ได้ทำการมันเลยมันเป็นอุบายที่ผมเชื่อนะครับท่นอาจจะคิดถึงหรตีวิล่าผมก็ไม่แน่ใจทีนี้จะเล่าเรื่องที่ท่านเป็นนักทดลองความคิดครับท่านอาจารย์นั้นไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับดังนั้นบางทีท่านก็ทําอะไรพลาดได้ครับแต่ความผิดพลาดที่ท่านกลับเป็นบทเรียนที่ดีเสมอกับคนที่อยู่ใกล้ตัว วันหนึ่งเนื้อพวกเราคำพวกเราหมายถึงพระเนคนวัดกำลังช่วยกันเทคานคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะซึ่งงานที่หนักและเหนื่อยมากเนื่องจากสันหารมือเดียวแล้วก็ทำงานหนักแต่นั่นคือตรงมติของส่วนโมกในช่วงนั้นๆครับขณะที่กวนปูนันอยู่ท่านอาจารย์นัานก็เบรศ จ, จากการอ่านหนังสือหรือพักฝันท่านมาถามว่าคุณทำอะไรกันอยู่บอกกวนปูนท่านบอกว่าควนโง่ขี้ดีเลย คุณจะโกนทำไมให้เสียเวลาทําไมคุณไม่เอาโอนเอาทรายเอาหินเอาน้ําเทรวมในถังน้ำมันแล้วก็ปิดฝาให้มันมันมีถังที่ปิดฝาสนิทได้นะฮะแล้วคุณก็เกลื่อไปในสนามหญ้าเลยแล้วคุณไม่ต้องเหนื่อยแรงแล้วก็เอามาใช้ได้ทุกคนก็สว่างสวยขึ้นในข้อแนะนำมันนะว่าเออจริงๆด้วยเราไม่เคยคิดกันมาก่อนแล้วทุกคนก็ปฏิบัติตามโดยความหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นนะ กลิ้งไปกลิ้งมาจนเงน่อแตกพอเปิดฝาหินอยู่หินตายอยู่ตาพงอย่พวกเร า, ท, ารรทั้งเหนื่อยลครับทั้งเหนื่อยทม้ผิดหวังอาจารนั่นเห็นแล้วท่านหัวเราะท่าบอกผมจะไปรู้อะไรผมไม่เคยทำมันประเด็นที่ดีมากก็ว่าในความคิดเราต้องทดลองความจริงด้วยครับเพื จ, จะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกใกล้หรือห่างไกลจากเป้าหมายที่เราคิด ผมเล่าเล่นเพอให้คลายเครียดครับทีนี้ผลจะนองก็ไปสู่เรื่องพึ่งขังข้ๆลึกขึ้นอีกนะครับความถ่อมของทอาจารย์ไม่มีอยู่อย่างสูงผมก็เห็นกระตาที่ท่านกราบอาจารย์ที่เคยสอนบาลีหรืออะไรเนะียแต่เขไม่ทันนะครับแต่อาจารย์อีกอ ง, งนหนึ่งคิดว่าเป็นพระคู่สวยออย่างอ่อนโยนนะครับอย่างซึ่งผิดกับตอนที่ท่านนั่งมันธรรมะรากัราชศรีหรือผู้นี้กําลังประกาศ ธรรมะที่ยิ่งใหญ่ท่านแนะนำให้ผมไปหาโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคเลื้อนครับคนที่ไปในสมโนกช่วง น, นั้นอาจจะไม่รู้จักแต่บางคนอาจจะรู้ครับชื่อโยโอมยวนครับทนอาจารย์ไม่ใช่บุคคลที่ลืมคนอื่นได้ง่ายๆแม้คนนั้นจะเจ็บป่วยเป็นโรคเลื้อนก็ตา่างๆโยมยวนหลบอยู่ในกระสอบเล็กๆไม่ค่อยได้สัมพันธ์ผู้คนเพราะตันหนักทัดว่าตัวเองเป็นโรคผมเข้าใจไม่ใช่โรคเลื้อน เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นผืนผืนแข็งแข็งดำเนื้อดําตัวนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรแต่เป็นโรคซึ่งน่ารังเกียจท่านอาจารย์เรียกผมว่าคุณไปหายมยวนเขามีอะไรดีมากแล้วท่านเล่าเมื่อสมัยหนึ่นหนงเยนะฮะยมยวนเคยแสดงวาฏทะทางธรรมนะครับในที่สาธารนณะจนเอาชนะมโนลาลงที่มีชื่อเสียงได้ ท่านควจะทราบอันหนึ่งนะครับว่าคนปากใต้นี่กับปโนลานีเป็นของคล้ายๆกู้ขวัญเป็นของปลดลารมากเขาชอบนิยมยู่แต่ยมยวนด้วยอาศัยเพียงปากเปล่าพูดธรรมะจนไม่มีใครดูกโนลาเลยครับนันเป็นปรากฏการที่ฝังในความจําของท่านอาจารย์สันโมท่านเนยแนะบอกว่าคุณไปหายมยวนเขามีอะไรดีผมก็ไปหาอยู่หลายเวลาครับก็จริงดังที่ท่านแนะนํำคือยมยวนเป็นคนที่โลภังเกียด เพราะเป็นโรคซึ่งซึ่งน่ารังเกียจแต่ในร่างกายอันผุพังนี้ครับได้ซ่อนภูมิปัญญาทั้นสูงไว้มากท่านอาจารย์สังง่งผมว่าให้เอาอะไรที่โยนยวนเขาเขียนเป็นชาร์ตอะไรนไดอะแกรมเนี่ยเอามาลอกขึ้นที่ฝาผนังในโรงหมาบาลร ศ, ศทางวิญญาณในฐานะที่เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติของทางปัญญาของมนุษย์คนนี้ท่านไม่เคยลืมคนที่ ได้ต่อทูในทางภูมิปัญญามาแล้วครับตลอดช่วงชีวิตของท่านนะฮะมีความถ่อมแต่พร้อมไ น, นั้นถ้าจะเลือกใช้ทำมากร้าวราก็ได้อยู่นะฮะคือ ท, ท่านกร้าวราทางความคิดเวลาคิดคิดมเหมือนเพื่อนต่อมาท่านก็แนะนําหลายคนโดนผมด้วยยะฮะบอกว่ า, วาสิ่งใดที่เพื่อนก็คิดอยู่แล้วทำอยู่แล้วคุณอย่าเจ๊งลายเลย ผมจคิดและทําในสิ่งที่ก็หนึ่งเขาไม่ได้คิดแล้วไม่ได้ทำนั่นแหละหมายในทางที่ดีนะครับเพื่อช่วยคําจุนจันลงในสังคมนี้ดีขึ้นผมจะเล่าเรงความถ่อมท่านในอันหนึ่งนะครับแต่ที่จริงท่านห้ามเล่าผมก็คงไม่ค่อยถ่อมเท่าไหร่ที่นํามาเล่าแเล่าเกี่ยวกับตัวท่านไม่ใช่ตัวผมนะความรู้ในสาบลงท่านนั้นพอประมาณแต่ว่าการตีความนิยติไฉ ถอดรหัสคำพูดของพระเจ้าผมคิด่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากในในโลกของพุทธศาสนานะครับเนื่องจากการเวลานะครับอยากใ่อและวัตถพูดของการเวลาทำให้คำสอนของพระเจ้านี่ค่อนข้างสับสนคือเราไม่รู้อะไรเป็นะไรแล้วอุปการะคุณเงินยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์ก็คือท่านทำให้ธรรมะหมวดต่างๆนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสโมโอทาน สอดสารสวมลงกันได้จงกระทั่งเห็นจุดสําคัญจุดที่เรียกเป็นพุธทธศาสนาเรื่องอทัพปญจ า, า็ดีเรื่องมติจารุ บ, บาทก็ดีเรื่องซึ่งแต่ก่อนแตกกันเปนเสียงเป็นเสียงนึ็นเสียงพระสงฆ์เนดีก็อาศัยขนบธรรมเนียมการเทศนาหยิบหัวข้อวันนี้จะพูดเรื่องอริยศาสตร์พรุ่งนี้พูดเรื่องโพชงพรุ่งนี้พูดเรื่องโพธะพุทธิปักขีรธรรมปรินี้พูดเรื่องศีลมาที่ปัญญาซึ่งแต่และส่วนนี่เหมือนรูปซึ่งเราต่อกันไม่ติด เราไม่เห็นวมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะท่รรานอาจารย์อาศัยความรู้บาลีก็ดีการภาวนาก็ดีการแปลาจากมหายานก็ดีนะครับก็ทําให้เกิดธรรมะสโมโอธานครับคำนี้แปลว่าการสอบสวนรวมรวมท่านเคยอธิบายคํามาแตกสารไว้สิทธิคนอื่นนะครับท่านบอกว่าทั่วไปคํามาแตกสารอาจจะหมายถึงการแตกสั้น คือพึ่งสร้างไม่ได้คนนั้นรู้มากแต่จริงๆไม่รู้อะไรเลยครับพูดได้มากแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไรนะีซึ่งนะักการการทั้หลายเขาเรียกสิ่งนี้ว่าลัทธิอถาธิบายหรือว่า บ, บัลลีซึ่งครือเรียกบ้าคําพูดพูดไปเรื่อยๆทำงานนึงพูดได้ทนนั้งวันทั้งคืนครับ <c oughs> แต่ถ้าอธิบายนิ่งแตกสารหมายว่าสามารถกระจายแตกตัวไปแล้วเนี่ยรวบ ก, กลับมาที่ต้นต่อได้อันนี้นับว่า เป็นคำอธิบายที่เหมาะเหม่งมากครับคือไม่ใช่ไม่ใช่รู้มากอย่างเดียวแต่สามารถรู้รวม่งหนึ่งได้ทั้งหมดอยู่ในหนึ่งและหนึ่งนี้เป็นทั้งหมดได้นี่คือคุณอุปการของท่านในทางทฤษฎีนี่ครับ